สวัสดีพี่น้องในพระคิดทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะอีกครั้งหนึ่งที่เรามีชีวิตที่ปลอดภัยจนได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนสิ่งใดก่อนที่เราจะนมัสการแล้วก็ฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะขอเราที่จะตั้งใจอธิษฐานส่วนตัวหรืออธิษฐานตามนะคะเพื่อขอการปกป้องขอดินอานาจของพระวจนะให้มีต่อที่ประชุมด้วยกันก่อนนะคะ สาธุการพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เราเชื่อว่าพระวจนะของพระองค์มีฤทธเดชขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตท่ามกลางที่ประชุมนี้ขอพระองค์ทรงปกป้องที่ประชุมนี้ให้เราบรรดาสาวกสิ่งที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับพระเจ้าจะไม่มีส่วนใดๆในที่ประชุมแห่งนี้เพื่อให้พระวจนะของพระองค์ทุกบททุกตอนที่ผ่านมาทางผู้ปฏิบัติพระองค์ได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราทุกคนให้เป็นคนที่เข้าใจการเป็นคริสเตียนเข้าใจในการเป็นสาวกของพระเยซูที่เดินกับพระเยซู เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทุกคนให้เป็นสาวกแท้ติดตามพระเยซูอย่างเอาจริงเอาจังขอพระเจ้าทรงให้พระวจนะในวันนี้เราในจิตใจเราเป็นพิเศษให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดการกระทําพฤติกรรมและเกิดการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งตามน้ําพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเราแต่ละคนเราอธิษฐานทูลขอพระองค์และถวายพระเกียรติแด่พระองค์เพียงผู้เดียวกราบทูลทุกสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ขาะนี้นะคะเราอยู่ในเทศกาลเวลาของเทศกาลเข้าสู่ธรรมใช่หคะหรือเทศกาลแห่งการกลับใจหรือเลนตนะคะเลนเนี่ยมีกำหนดอยู่40วันนะคะเริ่มเริ่มนับวันพุธรับเท่าเป็นวันที่1แล้วก็จนถึงวันเสาร์เงียบเป็นวันที่40นะคะโดยที่ไม่นับวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่ถัดจากวันเสาร์เงียบก็คือวันอีสเตอร์นะคะแต่จะนับยังไง เราพอจะทราบกันไหมคะก็คือวันอีสเตอร์วันอีสเตอร์อเขาจะกำหนดวันอีสเตอร์ก่อนวันอีสเตอร์ในแต่ละปีเนี่ยจะไม่เท่ากันเลยสักกปีหนึ่งนะคะ เ, เราเราทำตามกรรมการของนายเซียนะคะเมื่อปีเมื่อปีอปจาปีพศไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาได้กำหนดมาว่า วันที่21มีนาคมของทุกปีประมาณ 20-21 มีนาคมเนี่ยเป็นวันอีควิเนอนะคะหรือวันที่พระอาทิตย์ทำส่องแสงตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกทำให้กลางวันกับกลางคืนเนี่ยเท่ากันพอดีนะคะ มันจะมีสองครั้งต่อปีก็คือเป็นในเดือนมีนาคมแล้วก็นในเดือนกันยายนซึ่งเป็นวันที่เขากำหนดฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือนะคะในเดือนมีนาคมจากวันที่21มีนาคมมา221มีนาคมเนี่ยให้นับต่อจากวันที่21เนี่ยมาเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะเพื่อกลับไปสู่ปฏิทินจันทรคติทางแบบยูนะคะหลังจาก วันที่พระจันทร์เต็มดวงแล้ววันอาทิตย์ถัดจากวันที่พระจันทร์เต็มดวงหลังวันที่21มีนาคมเนี่ยจะเป็นวันอีสเตอร์นะคะแล้วเราก็นับย้อนกลับมา40วันโดยไม่นับวันอาทิตย์ก็จะได้วันพุธรับเท่าเพราะฉะนั้นวันที่1นึเป็นพุธรับเท่าก็นับต่อไปจนถึงวันเสาร์เงียบคือวันก่อนอีสเตอร์หนึ่งวันนะคะก็จะเป็นระยะเวลาทั้งหมดโดยที่ไม่รวมวันอาทิตย์นะคะก็เป็นแค่เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะ เทศกาลเข้าสู่ธรรมนะคะเป็นเทศกาลที่เราใช้เวลาทบทวนตัวเองให้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นนะคะจริงๆเราต้องให้พระเจ้าเวลากับพระเจ้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงนี้เป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าด้วยความวุ่นวายของชีวิตของเราเราอาจจะทำให้ย่อหย่อนในการที่จะติดสนิกับพระเจ้านะคะช่วงนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะจดจ่อกับพระองค์นะคะบางท่านปราวารณาตัวให้อดอาหาร ชนะิดต่างๆแบบต่างๆนะคะเพื่อจะเอาเวลาที่นั้นมาติดสนิทกับพระองค์นะคะเรื่องสําคัญที่ชีวิตคริสเตียนของชีวิตคริสเตียนก็คือการติดตามพระเยซูคริสต์หรือการเดินกับพระเยซูคริสต์นะคะหรือการเป็นสาวกหรือว่าเป็นคริสเตียนนั่นเองนะคะเป็นคําเดียวกันหมดเลยนะคะไม่ว่าเราจะเป็นคริสเตียนเป็นสาวกเป็นผู้เดินตามพระเยซูคริสต์นั่นก็คือเราเป็นคริสเตียนนะคะ วั จ, จนที่มาถึงเราวันนี้มาจากพระธรรมมัตทิวบทที่8 1ดข้อถึงตามที่เราได้อ่านด้วยกันนะคะประเด็นนี้เราจะมาดูภาพรวมก่อนภ า, อาภาพรวมของวันอีสเตอร์ด้วยนะคะวันอีสเตอร์เนี่ยเขาเกิดขึ้นจริงๆคำว่าเลนหรือเทศกาลเข้าสู่พันธุ์ไม่ได้มีอยู่ในพระธรรมไม่ได้มีอยู่ในพระคัมภีร์แต่เันธรรมเนียมที่คริสตชนปฏิบัติต่ตอๆกันมานะคะ โดยใช้การการทนทุกข์ของพระเยซูตอนที่มานทดลองพระองค์40วันเนี่ยเป็นแบบในการใช้กําหนด40วันเพราะว่ามีเลข40อีกมากมายในพระคัมภีร์นะคะที่เป็นช่วงเวลาที่สําคัญเราก็เลยเอาช่วงเวลานั้นมากําหนดเป็นวันเทศกาลเข้าสู่ธรรมนะคะเมื่อเราอ่านพระกิตติคุณ4เล่มพระกิตติคุณมี4เล่มมีอะไรบ้างคะ ถูกต้อง <c oughs> นะคะทั้งสี่เล่มนี้จะพบเรื่องราวเหตุการณ์ซ้ำๆที่เป็นแก่นของเรื่องนะคะทั้งสี่เล่มนี้บันทึกมาอ 2,000 ปีที่แล้วก่อนเป็นบันทึกที่เป็นเรื่องแท้จริงเป็นเรื่องจริงนะคะของผู้ชายคนหนึ่งที่นามว่าเยซูชาวนาซาเรสนะคะที่ไม่เหมือนใครในโลกเพราะว่าชายผู้นี้เป็นมนุษย์ร้อยเรซและเป็นพระเจ้าร0อยปรเซ็นนะคะ หนังสือทั้งสี่เล่มนี้บันทึกเหตุการณ์หลักสําคัญสําคัญไว้คล้ายๆกันอาจจะมีบางคนโดยเฉพาะคริสเตียนใหม่พออ่านอ่านไปเนี่ยก็เห็นว่าเหมือนๆกันก็อาจจะข้ามไปนะคะแต่จริงๆหนุนใจให้อ่านทั้งสี่เล่มเพราะว่าผู้เขียนที่แตกต่างกันมีวัตถุประสงค์ในการเขียนแตกต่างกันรายละเอียดหรือการจัดการลำดับการเรียงในพระคัมภีร์แต่ละเล่มไม่เหมือนกันนะคะและมีรายละเอียดไม่เหมือนกัน บ้างนะคะแต่ว่าโดยเนื้อความหลักเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ได้ผิดออกจากกันเลยนะคะวัตถุประสงค์ของเรื่องราวที่แตกกันแต่เนื้อเรื่องหลักๆนะคะถ้าเราลองเรียงดูเนี่ยมันจะมีตั้งแต่เรื่องกำเนิดของพระเยซูคริสต์แล้วก็เรื่องการรับบัพติศมาของพระเยซูการเผชนกับมารในถิ่นธุรกันดาร4ีสิบวันของพระองค์นะคะ ตามด้วยงานหรือพระราชกิจของพระองค์ซึ่งแสดงการอัศจรรย์ของพระองค์ได้แก่การเทศนาสั่งสอนการรักษาโรคใช่ไหมคะมีทั้งรักษาคนตาบอดให้หายคนใบ้ให้พูดได้นะคะการขับผีชุบคนตายให้ฟื้นแล้วก็มีเรื่องของการทรงเรียกสาวก12คนการเปิดเผยอนาคตของพระองค์ที่พี่พระองค์ต้องตายและฟื้นจากตายนะคะ แล้วก็การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเลม็มการเดินทางสู่ไม้กางเขนการฟื้นคืนพระชนแล้วก็สุดท้ายด้วยการก่อตั้งคิดจักรนะคะเนื้อหาจะเป็นประมาณนี้แต่วันนี้พระวจะนะที่มาถึงเราเป็นเรื่องของการติดตามพระเยซูคริสต์หรือการเดินกับพระเยซูนะคะซึ่งเป็นเรื่องของคําว่าสาวกเราจึงเริ่มจากบันทึกถึงเราเราจึงไปโฟกัสบันทึกที่มีถึงการเลือกสาวกชุดแรกในสมัยพระเยซูนะคะ การเลือกสาวก12คนของพระเยซูคริส ต, ต์บอกอะไรเราบ้างนะคะเพื่อเราไม่สับสนคำว่าอัครสาวกและอัครทูตนะคะคำว่าสาวกเนี่ยหมายถึงผู้เรียนรู้หรือผู้ติดตามในขณะที่คาว่าอัครทูตหมายถึงผู้ที่สกถูกส่งออกไปนะคะเมื่อครั้งที่พระเยซูคริส ต, ต์ยังทรงพระชนยังทรงอยู่ในโลกนี้เราได้เรียกทั้ง12คนนั้นว่าอัครสาวกนะคะ ซึ่งทั้ง12คนนั้นได้ติดตามและได้เรียนรู้จากพระเยซูและก็ได้รับการสอนจากพระองค์แต่ภายหลังที่ภายหลังที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเนี่ยทรงได้ส่งอัครส า, าวกนั้น12คนนั้นให้ออกไปเป็นพยานถึงเรื่องราวของพระองค์นะคะพวกเขาจึงได้ถูกเรียกว่าเป็นอัครทูตทั้ง12คนนะคะโดยเปลี่ยนคนสุดท้ายคื อ, อยูดาสใช่ไหมคะที่ไปแขวนคอตายเพราะว่าทรายศพระองค์นะคะ ทั้งอักระสาวกและอักขทูตเนี่ยบางทีเราก็ใช้คู่กันแต่ก็คือสาวกชุดแรกนะคะถ้าพูดว่าเป็นสาวกก็คือเมื่อสมัยที่พระเยซูทรงรผชนอยู่นะคะอักขทูตก็คือสมัยที่ทรงออกไปหลังจากที่ทรงฟื้นคืนเผชนแล้วนะคะทั้ง12คนเป็นคนธรรมดาค่ะเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้พวกเขาในงานที่ไม่ธรรมดานะคะ ใน12คนนั้นเป็นทั้งชาวประมงเรารู้มาหลายครั้งแล้วเนาะเป็นชาวประมงมากเป็นคนเก็บภาษีและก็เป็นผู้ที่ต่อต้านนะคะแต่ละคนก็ไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบเลยนะคะตัวอย่างซีโมนเปรโตก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะหุนหันพันแล่นนะคะอันดูก็เป็นคนที่นักวิชาการทางพร ะ, พร ะ, พร ะ, พระคัมภีร์เนี่ยบอกว่าเขาขาดความเป็นผู้นำนะคะ แล้วก็ยากอบกับยอนสองพี่น้องที่เขาสนใจแต่เรื่องของอยากจะเป็นใหญ่อยากเป็นใหญ่ได้รับการยกย่องนะคะโทมัสก็เป็นคนที่มุมมองแบบนักสงสัยตลอดนะคะแล้วก็บุดอัลเฟอัสและเลฟเบอัสก็มีความรู้ที่จำกัดยูดาสที่ทรยศพระเยซูแต่ละคนไม่ได้มีความสมบูรณ์แต่ละคนไม่ได้มีไม่ได้มีความดีที่ที่โลกนี้วัดกัน ะะพระกิตติคุณทั้งสี่เล่มเนี่ยบันทึกเรื่องราวของการต่อสู้การล้มลงการลังเลสงสัยของทั้ง12คนที่ติดตามพระเยซูแต่หลังจากที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงให้อัครทูตหรืออัครสาวกเหล่านั้นได้มีกำลังและก็เป็นคนของพระองค์อย่างแท้จริง และยังเป็นพวกที่คว่มโลกมนุษย์นะคะคว่มโลกมนุษย์นี่ดิฉันไม่ได้พูดเองนะคะความความว่าพวกคว่มโลกมนุษย์เนี่ยปรากฏอยู่ในพระธรรมกิจการบทที่17ข้อ6นะคะมีอะไรเราสงสัยไหมคะว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงคนธรรมดาเหล่านี้ให้เป็นคนที่คว่มโลกมนุษย์อัครส า, าวกหรืออัครทูตทั้ง12คนนั้นมีอยู่อย่างเดียวคือเขาได้อยู่กับพระเยซูค่ะเขาได้อยู่กับพระเยซู เราก็สามารถที่จะอยู่กับพระเยซูได้ด้วยเช่นกันนะะมันเป็นความหวังใจของเราคนธรรมดานี่นะคะที่เราที่จะอยู่อยู่กับพระเยซูแล้วเราจะความโลกได้เปลี่ยนแปลงโลกให้เป็นโลกของพระองค์ให้เป็นโลกที่มีพระองค์เป็นที่หนึ่งนะคะเกณฑ์คัดเลือกสาวกของพระเยซูนั้นเนี่ยต่างจากเกณฑ์ที่มนุษย์มองมนุษย์อาจมองที่ความสามารถใช่ไหมคะความรู้ประสบการณ์ แต่พระเยซูมองที่ไหนคะมองและคัดเลือกที่ลักษณะของท่าทีภายในใจนะคะภายในจิตใจที่ถูกต้องตามสายพระเนตรของพระองค์มาตรฐานของพระองค์อยู่ในพระองค์นะคะตามมาตรฐานของพระองค์เท่านั้นเราจึงพบว่าหลายครั้งเรามักจะพบว่าคนที่ดูเหมือนเป็นคนเล็กน้อยในครอบครัวมาเป็นคริสเตียนเล็กน้อยยังไงเล็กน้อยในสายตาชาวโลกเมื่อเทียบกับคนในครอบครัวเขาเองนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งเรียนก็งั้นๆรวยก็ไม่รวยเก่งก็ไม่เก่งเมื่อเทียบกับคนในครอบครัวของคนคนนั้นนะคะพระคัมภีร์บอกเราเสมอว่าไม่ใช่การกระทําของเราที่ทําให้เราได้รับความรอดดังนั้นไม่มีใครสักคนจะอวดได้เลยว่าเขาทําดีสุดๆพระเจ้าจึงเลือกเขานะคะการเป็นคนดีจึงไม่ใช่เกณฑ์ที่พระเจ้าใช้มาเลือกสาวก ดิฉันได้มีโอกาสที่จะสัมภาษณ์คริสเตียนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่ทําดีมากเลยคือตอนที่เขาเป็นพุทธอยู่เนี่ยเขาถือศีลคือแทบจะไม่ได้ทําบาปเลยแล้วก็เขาคิดว่าที่เขามาเชื่อพระเจ้าเนี่ยยังไงพระเยซูก็ต้องเชิญเขาขึ้นสวรรค์เพราะเขาทําดีนะคะเขาอยู่กับความดีความเย่อหยิ่งในความดีของเขาอยู่หลายปีนะคะจนวันหนึ่งเนี่ย พระงอาจจะเป็นการอัศจรรย์เล็กน้อยที่ที่ไม่ได้ปรากฏกับทุกคนนะคะเขานั่งอยู่ในห้องนอนของเขาแล้วเขาก็เาบอกว่าไฟในห้องอยู่ดีๆก็ดิมลงอะคะ่ะมันหลี่ลงแล้วก็มีภาพเกิดขึ้นที่ผนังเป็นภาพที่เคลื่อนไหวปรากฏว่าเป็นความชั่วร้ายของเขาที่แม้แต่เขาเองเขาก็ลืมไปแล้วว่าเขาได้ทําสิ่งเหล่านั้นเพราะเขาคือถามเขาว่า ตอนที่ทําดูไม่มเป็นเรื่องที่ชั่วร้ายเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้คิดว่าเป็นชั่วร้ายเท่าไหร่เพราะว่าเป็นการนินทาเขาไม่ใช่ผู้หญิงนะคะเป็นผู้ชายเป็นการนินทาการที่การเจ้าเล่ที่จะซ่อนความรู้สึกความความความชั่วร้ายไว้ภายใต้ทําให้คนอื่นเห็นว่าสุภาพเขาบอกว่าณนะเวลาเวลานั้นนะเขารู้สึกอายจนแทบมุดแผ่นดินเขากลัวว่าภาพเหล่านี้ถ้าเขาปรากฏตอนที่ พระเยซูเสด็จกลับมาเขาจะทนอยู่ได้ยังไงที่ความชั่วของเขาปรากฏเปิดเผยออกไปอย่างนั้นภรรยาเขาพ่อแม่เขาจะยังรักเขาอยู่ไหมที่เห็นเขาเป็นอย่างนั้นนะคะอันนั้นเป็นวันแรกที่เขาบอกว่าเขาตระหนักว่าเขาเป็นคนบาปเขาบอกว่าเขาพลาดขั้นตอนในการรับเชื่อพระเยซูว่าเขาเอ่ยได้ปากว่าเขารับเชื่อพระองค์แต่เขาไม่เคยคิดว่าเขาเป็นคนบาปเลย เป็นวันนั้นวันแรกที่เขาตระหนักรู้ที่พระเจ้าให้เขารู้ว่าอันนั้นคือความบาปและเขาเป็นคนบาปนะคะหลังจากนั้นเขาก็คือเขาร้องไห้นะตอนที่เขาเป็นกยญญานเขาก็ร้องไห้สะเทือนใจนะคะไม่ว่ามันจะผ่านมากี่สิปีแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนท่าทีในการที่ไม่คิดว่าตัวเองเนี้ยดีพออีกต่อไปนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าสาวกของโบงเป็นคนธรรมดานะคะแล้วก็ความดีไม่ใช่เกณฑ์ที่พระเจ้าจะเอามาวัดนะคะเราจงภูมิใจว่าเราได้รับการทรงเรียกและการทรงเลือกอย่างแท้จริงด้วยความรักด้วยความเมตตาและก็ด้วยพระคุณจากพระองค์เท่านั้นไม่ใช่การกระทาของเรานะคะ ลองพิจนารณาดูนะคะนึกอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองย้อนไปถึงวันที่เราเอ่ยปากรับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดลองนึกนะคะว่ามีใครสักคนในที่นี้บอกว่าสามารถเอ่ยขึ้นมาว่าตัวท่านเองเป็นผู้เลือกพระเยซูโดยที่ไม่มีส่วนที่พระเยซูเลือกคิดว่าตัวเองเป็นคนเลือกพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าเลือกเราบ้างนะคะ พระเจ้ามีส่วนพระเจ้าให้อิสระเราในการตัดสินใจแต่พระองค์มีส่วนในการเลือกเราค่ะพระองค์เลือกเราค่ะไม่ให้เราเลือกพระองค์นะคะดังนั้นการเลือกสาวกของพระองค์เลือกจากมาตรฐานและพระเมตตาของพระองค์เป็นพระคุณของพระองค์เท่านั้นนะคะเรามาเข้าเรื่องพระวจนะที่มาถึงเราวันนี้นะคะพระธรรมมัทธิวบทที่8บทที่18ถึง22เนี่ยเป็นช่วงที่พระเยซูประกอบราชกิจและแสดงการอัศจรรย์นะคะ ช่วงนั้นพระองค์เริ่มมีชื่อเสียงหลังจากที่พระองค์เสด็จเข้าสู่การทดลองของมาณ40ิวันแล้วพรองค์ออกมาก็เริ่มทำพระราชกิจในการช่วยเหลือคนป่วยนะคะช่วยช่วยคนตาบอดช่วยหลายๆอย่างเลยนะคะพวกผู้คนก็ห้อมล้อมห้อมล้อมพระเยซูนะคะเราสามารถจัดกลุ่มผู้ที่ห้อมล้อมพระเยซูอยู่ได้สาพวกนะคะ พวกแรกก็คือประชาชนทั่วไปประชาชนทั่วไปเป็นกลุ่มที่ต้องการแค่การอัศจรรย์ต้องการการรักษาโรคต้องการการขับผีจากพระองค์รับการช่วยเหลือทางกายภาพนะคะแล้วว่าฟังคำสอนเท่านั้นพวกที่สองหรือพวกที่สองเนี่ยมีแค่คนเดียวคือธรรมอาจารย์นะคะธรรมอาจารย์หนึ่งคนธรรมอาจารย์คือใครธรรมอาจารย์คือพวกสดูสีเป็นพวกที่มีความรู้นะคะแล้วก็เคร่งครัดในกฎธรรมเนียม กฎบัญญัตินะคะในพระวจนะที่เรายกมานั้นพะวัดพระกัมพีพูดถึงธรรมอาจารย์คนหนึ่งที่เขาต้องการติดตามเป็นสาวกของพระองค์รู้ได้ยังไงนะคะพระธรรมข้อนั้นบอกว่าอาจารย์เจ้าค่าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามท่านไปทางนั้นเขาได้เห็นการอาัศจรรย์ต่างๆได้เห็นการงานที่พระองค์ทรงทำ ร, ราชกิจที่พระองค์ทรงทำแล้วเขาติดตามที่ตั้งใจจะติดตามพระองค์ไปนะคะ พวกที่3ก็คือสิทธิ์ของพระเยซูเองนะคะสิทพระเยซูคนนี้บอกว่าอะไรบอกกับพระองค์ว่าพระองค์เจ้าค่าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพ บ, บิดาข้าพระองค์ก่อนสิทธิ์ของพระองค์ขอไปจัดการภาระของตัวเองก่อนนะคะสมกลุ่มนี้แสดงการติดตามพระเยซูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ถ้าเราสังเกตคํากิริยาที่เด่นในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้คือคําว่าตามหรือติดตามข้อพระธรรตอนนี้ยังบอกเราถึงลักษณะของผู้จะติดตามหรือเดินไปกับพระเยซู2ประการคือประการที่1คือพร้อมที่จะเผชิญกับความลําบากนะคะท่านอาจารย์คนนี้กล่าวด้วยความจริงใจว่าอาจารย์เจ้าค่าท่านไปทางไหนข้าพเจ้าจะตามไปทางนั้นซึ่งผิดกับธรรนอาจารย์ทั่วไปที่ มักจะร่วมมือกับฟาลิสีที่จะจับและต้องการกำจัดพระเยซูนะคะทำไมจึงคิดว่าเขาจริงใจก็เพราะตัวธรรมอาจารย์เองเนี่ยไม่รู้ว่าพระเยซูจะไปทางไหนไม่รู้ว่าจะลำบากยังไงไม่รู้ว่าอนาคตของพระองค์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขารู้แต่ว่าไม่ว่าไปทางไหนเขาก็จะไปนั่นคือท่าทีของธรรมอาจารย์คนนี้ ที่มีต่อพระเยซูในการที่อยากจะติดตามพระองค์นะคะหลังจากที่เขาได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆและราชกิจของพระองค์เขามีกรอบความคิดในหัวของเขาเนื่องจากเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านพระคัมภีร์และทาบัญญัตินะคะเขาเลยเรียกพระเยซูว่าอาจารย์เขามีกรอบความคิดว่าเขาจะติดตามในฐานะสิทธิ์กับอาจารย์นะคะแต่พระเยซูบอกเขาว่า ที่ท่านจะตามเรานั้นฟังเราก่อนนะคะหมาจิ้งจอกยังมีโพรงและนกในอากาศยังมีรังแต่บุตรมนุษย์ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะหมาจิ้งจอกที่เจ้าเล่ห์พระองค์ยังสร้างโพรงไว้ให้อยู่นกตัวเล็กๆ ก, ก็ยังมีที่อยู่ในอากาศแต่บุตรมนุษย์คือพระเยซูพระองค์เรียกตัวเองว่าเป็นบุตรมนุษย์ตลอดนะคะ ไม่มีที่ที่จะวางศีรษะพระองค์บอกให้เขาคิดดีๆนะที่จะตามพระองค์มาบอกเราว่าจะตามเรามาเนี่ยคิดดีคิดให้ดีก่อนนั่นคืออะไรนั่นคือพระองค์บอกว่าจะต้องเตรียมใจให้พร้อมสำหรับความไม่เข้าใจที่จะเกิดขึ้นความยากลำบากที่ต้องพบในอนาคตความการถูกข่มเหงนะคะจะเห็นได้ว่าพระเยซูไม่ได ชวนคนให้มาเดินกับพระองค์ด้วยคําโฆษณาที่สวยหรูเหมือนในโฆษณาที่เราเห็นเห็นกันใช่ไหมโฆษณาที่เราเห็นเนี่ยจะพิเศษแต่สิ่งที่ดีพิเศษในสิ่งที่ทํายังไงให้ซื้อสินค้าโดยบางครั้งไม่ได้พิเศษด้วยซ้ำว่ามันแรกมาด้วยราคาสูงที่จะได้สินค้าที่ดีขนาดนั้นนะคะสินค้านั้นต้องการให้แค่คนพิจารณาจาก แง่มุมดีๆสับคุณดีๆที่นำเสนอแต่พระเยซูบอกตรงๆค่ะบอกตรงๆว่าแม้บุตรมนุษย์หรือตัวพระ อ, องค์ยังไม่มีแม้ที่จะวางศีรษะนั่นคือพระองค์บอกว่าใครที่จะติดตามพระเยซูต้องพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับความยากลำบากนะคะพระองค์บอกว่าใครที่คิดจะติดตามพระเยซูต้องพร้อมเสมอที่จะเผชิญกับความลาบาก พระองค์ไม่ได้เคยบอกเลยว่าเดินตามเรามาเจ้าจะร่ํารวยเดินตามเรามาเจ้าจะได้แต่งงานเดินตามเรามาเจ้าจะแข็งแรงไม่มีโรคภัยเดินตามเรามาเจ้าจะสุขสบายแต่พระองค์บอกว่าเดินตามเรามาแม้เจ้าจะต้องเผชิญกับความยากลาบากแม้ในพระธรรมมาระโกบทที่8ปดข้อสาพระองค์ทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกให้เข้ามาแล้วตัดแก่เขา ว, ว่า ถ้าผู้ใดใครจะตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตนเองและรับกางเขนของตนแบกและตามเรามาใครจะตามเราต้องรับกางเขนแบกและตามเรามานะคะกางเขนในสมัยพระเยซูไม่ใช่กางเขนที่เป็นแค่เครื่องประดับเหมือนสมัยนี้หรืออยู่บนยอดโบสถ์นะคะกางเขนสมัยนั้นเป็นสัญลักษณ์ของความอายความสับแช่งและความตายนะคะผู้ที่ ได้รับโทษสถานหนักจึงจะตายบนไม้กางเขนนะคะกางเขนในสมัยนั้นจึงสื่อถึง3อย่างก็คือเราตรึงชีวิตไว้กับกางเขนนั้นไม่มีแผนการเหมือนชีวิตเดิมอีกแล้วนะคะประการที่2ก็คือการตายต่อชีวิตเก่าตายต่อสิ่งเก่าๆตัวเก่าของเรา ไม่ว่าจะเป็นความขี้โมโหวความหยิ่งพยองความดื้อรั้นนะค ะ, ะการที่3าก็คือแบกแล้วมองไปข้างหน้าค่ะเดินไปข้างหน้าไม่หันหลังกลับนะคะยกตัวอย่างที่บางคนอาจจะมีชีวิตก่อนที่มาเป็นคริสเตียน้วกกันเที่ยวตามผับตามบาร์มีคู่ชีวิตหลายคนเปลี่ยนคู่บ่อยนะคะพอมาเป็นคริสเตียนทำอย่างนั้นไม่ได้ แล้วก็มานั่งเสียดายชีวิตแบบนั้นนั่นไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนที่แบกไม้คองเขนเพราะชีวิตคริสเตียนนั้นคือติดตามพระองค์ทิ้งตัวเก่าไปไม่อะไรอววรนะคะไม่หันหลังกลับไปนะคะไม่ต้องหันหลังกลับนะคะสมัยนี้เราเริ่มคุ้นชินกับความสะดวกสบายใช่หคะเมื่อก่อนเราถ้าคนอายุซักคือถ้าไม่ใช่เด็กๆนักนะะอ่ะเราก็ยังมีรถเมล์ที่ต้องขึ้นเาไม่มีรถไฟฟ้ารถ MRT อะไรให้สะดวกเหมือนปัจจุบันเนาะอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะคะเราตอนนี้เราชินกับความสะดวกมากขึ้นเราจะสั่งของนะคะเสื้อผ้าซื้อออนไลน์ของใช้ก็ซื้อออนไลน์ให้บางบริษัทมาส่งถึงบ้านไม่ต้องขับรถไปจอดรถแล้วนะคะสิ่งเหล่านี้มันทําให้ความอดทนของเราเนี่ยน้อยลงโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ที่เขาไม่ไม่ได้กลิ่นอายของความลําบากเลย คนกลางคนเนี่ยยังยังมีกลิ่นอายของความที่บ้านเมืองเราไม่ได้เจริญเพิบเหมือนตอนนี้เนาะมันก็ค่อยๆเจริญมาใช่ไหมคะตอนนั้นเรายังได้กลิ่นอายของความลําบากอยู่บ้างมีร้อนบ้างอะไรบ้างนะคะแต่มันก็เลยเป็นเหตุผลมากมายที่เวลาที่เขาเกิดความไม่สะดวกสบายเช่นม า, บ า, น า, ามมโสบสรถติดมาโบสถ์แอร์แอร์แอร์เกิดอาจจะแอร์เสียปุ๊บกลับบ้านดีกว่า ไม่อยู่แล้วในโบสถ์นะคะทนไม่ได้หรือว่ารถเสียกลับบ้านดีกว่าไม่ต้องมาถึงโบสถ์นะคะเราชินค่ะเราชินกับความสะดวกสบายจนจนเราสามารถที่จะทิ้งพระเจ้าได้โดยง่ายได้นะคะไม่มีความอดทนสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเอาอะไรมาอ้างไม่ใช่เหตุผลที่พระเจ้าพอพระทัยแน่นอนนะคะในยอห์นบทที่16ข้อ33พระเยซู บ, บอกแล้วว่า เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วจงชื่นใจเถิดเมื่อท่านทุกข์ยากเพราะว่าพระเยซูได้ชนะโลกแล้วมันเป็นสิ่งที่ขัดกับความรู้สึกนะคะเมื่อเรารเผชิญกับความทุกข์แต่เมื่อเราติดตามพระองค์จำประโยคนี้ไว้นะคะฉันเตรียม การเทศนาครั้งนี้เหมือนสอนตัวเองในการที่เราผจนสิ่งต่างๆแล้วบางทีเราแทบทนไม่ได้จริงๆแล้วเมื่อเทียบกับหลายๆคนสาวกในพระมัทธีเนี่ยช่างน้อยนิดที่เราประสบแต่เราก็เหมือนเราเราเร า, เราอยากที่จะไปจากตรงนี้ไม่อยากที่จะอยู่นะคะเราเป็นคริสเตียนที่เข้าใจผิดนะคะ ถ si ้าเราเป็นคริสเตียนที่คาดหวังว่าชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่ปราศจากปัญหาและเราเป็นคริสเตียนที่ขาดความเข้าใจถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ทิ้งพระเจ้าเมื่อเผชิญปัญหาพระองค์บอกเราชัดเจนนะคะเตือนตัวเองไว้เสมอว่าอยากให้เราเป็นทั้งคริสเตียนหรือผู้ติดตามพระเจ้าด้วยความเข้าใจผิดและขาดความเข้าใจเช่นนี้นะคะทบทวนกันหน่อยนะคะเข้าใจผิดว่าติดตามพระเจ้าแล้วชีวิตจะไม่เกิดปัญหา และขาดความเข้าใจเมื่อเราหันหลังให้พระองค์เมื่อเราเจอปัญหาะะเราไม่ต้องเป็นทั้งสองอย่างเตรียมใจเราให้พร้อมเสมอกับการที่จะเผชิญกับความยากลำบากชีวิตที่ไม่มีปัญหาจะไม่ทำให้เราเผชิญปัญหาต่อไปได้นะคะถ้าเราไม่เตรียมใจไว้เลยเรามัวแต่เขาเรียกอะไรสร้างภาพตัวเองอะสงสารตัวเองว่าเวลาเจอปัญหานี่เราก็สงสารตัวเองว่าทาไมเราต้องทนทุกข์อย่างนี้นะคะ เราก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันแต่ถ้าเราเตือนตัวเองเสมอว่าเราพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับปัญหาแต่มีพระเยซูอยู่ไม่เหมือนคนที่ไม่มีพระเจ้านะคะเรามีพระเจ้าอยู่กับเราในขณะที่เรามีปัญหาเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะคะไม่มีปัญหาใดเกินกว่ากําลังที่เราที่พระองค์จะให้เราทนได้นะคะสุภาษิตจีนบอกว่าพื้นทะเลที่ราบเรียบไร้คลื่นลมไม่เคยสร้างนักเดินเรือที่เชี่ยวชาญ ะะอัญมณีมีค่าล้วนมาจากดินนํามาผ่านการเจรไนจึงจะงามนะคะแล้วก็เรือที่ปลอดภัยคือเรือที่จอดอยู่ในท่าแต่เรือไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อจอดอยู่ในท่าในเมื่อพระเยซูเป็นความจริงในชีวิตเรามีใครเถียงว่าพระเยซูไม่เป็นความจริงในชีวิตเราบ้างพระเยซูบอกเมื่อพระเยซูเป็นคนบอกเราเองว่าเราต้องพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญกับความยากลําบาก และความยากลาบากนั้นจะตะเตรียมชีวิตเราให้ดีขึ้นกว่าเดิมทุกความยากลาบากจะพระองค์จะตระเตรียมชีวิตเราให้ดีขึ้นกว่าเดิ ม, ม, อ เ, ม, เ, ด เ, ดมเอเมนนะค ะ, ะเรื่องยากในวันนี้จะเป็นเรื่องขี้ปฏติวในวันหน้าโดยเฉพาะเมื่อเราเดินกับพระเยซูนะคะจะกลัวอะไรเรื่องที่เราเผชิญในวันนี้มันจะกลายเป็นแค่ความทรงจำนะคะอย่ามัวแต่สงสารตัวเองเมื่อเผชิญกับความลาบาก เพราะการส่งสารตัวเองยิ่งทำให้เราเจ็บปวดเปลี่ยนมันให้กลายเป็นคาพยานชีวิตค่ะคมพยานชีวิตไม่ใช่คาพยานที่ต้องมาปั้นแต่งสวยหรูเมื่อเรารเผชิญกับความลำบากโดยเดินไปกับพระเยซูเราจะมีความพยานชีวิตของเราเองที่ไม่ต้องปั้นแต่งเลยนะคะมีความจริงและถวายเกียรติแด่พระองค์อย่างแท้จริงนะคะทาค่ะทำให้คนเห็นว่า พระเยซูปเป็นจริงในชีวิตของเราด้วยคําพยานนั้นนะคะไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหนอย่าทิ้งพระเจ้านะคะเพราะว่าท่านไม่ได้เดินคนเดียวอย่าให้สถานการณ์ทําให้เราสั่นไหวแต่ให้เราชัดเจนว่าพระเจ้าที่เรารู้จักยิ่งเรารู้จักพระองค์เราย่อมจะพบทางที่มีพระองค์ได้แม้ในวันที่มืดที่สุดเหมือนที่เราปิดไฟในบ้านแต่บ้านของเรา เมื่อเรารู้จักเราสามารถเดินไปหยิบของทงั้งที่ปิดไฟได้นะคะเมื่อเราติดสนิทกับพระ อ, องค์เมื่อเรารู้จักกับพระ อ, องค์เราจะรู้ว่าทางของพระ อ, องค์เป็นยังไงแม้วันที่มันมืดที่สุดนะคะแล้วปลายทางของเราจะมีสงาาส่าราศีพระ อ, องค์สัญญาไว้อย่างนั้นนะคะเดินกับพระเยซูต่อไปคะ่ะถ้ามีปัญหาเดินไปพร้อมปัญหานะคะจ่ายมากก็ได้คืนมากนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาโดยที่ไม่จ่าย ะะการทุกข์ยากที่เยอะบําเหน็จของความสง่าราศีก็เยอะไปด้วยนะคะนั่นคือความหวังใจของเราประการที่2ของพระธรรมข้อนี้นะคะแบ่งเป็นสองคนใช่ไม้มคนแรกเป็นธรรมอาจารย์คนที่สองนี่เป็นสิทธิของพระเยซูเองนะคะสิทธิ์ของพระเยซูเองเนี่ยบอกอะไรกับเรานะคะบอกว่าการติดตามพระเยซูต้องไม่รีรอค่ะ ตั้งจุดยืนในการเป็นคริสเตียนให้ชัดเจนนะคะสิทธิ์ของพระเยซูเดินเข้ามาบอกกับพระองค์ว่าขอไปจัดการภาระตัวเองก่อนนะคะธรรมเนียมของคนยิวเนี่ยเขาจะต้องฝังศพใน24ชั่วโมงดังนั้นจากข้อความพระคมพีที่ว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพ บ, บิดาของข้าพระองก่อนจึงไม่น่าจะหมายถึงว่าวันนี้ไปฝังแล้วกลับมานะคะ และ ว, วิชาการพระคัมภีร์วิพากษ์ไว้ว่าน่าจะหมายถึงการกลับไปอยู่กับบิดาจนบิดาตายแล้วถึงจะกลับมานะคะเขาบิดาเขาแก่แล้วเขาไปเลี้ยงดูบิดาเขาเป็นการอ้างภาระนะคะการติดตามพระเยซูไม่ได้หมายความว่าต้องทิ้งบิดามารดามีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่แสดงว่าพระองค์สอนเราในเรื่องความกตัญยูนะคะความหมายของศิษย์คนนี้จึงมีนายะว่าเขาจะติดตามพระเจ้าเมื่อไหร่ก็ได้ นะคะจะหยุดติดตามเมื่อไหร่ก็ได้การเป็นสาวกของพระเจ้าเป็นการตัดสินใจที่เดินหน้าทางเดียวนะคะพระเยซูจึงตัดกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดปล่อยให้คนตายฝั่งคนตายของเขาเองเถิดนะคะในพระธรรมลูกาบทที่6ข้อเอบทที่9้านะคะข้อ62บอกว่าพระเยซูตัดกับเขาว่าผู้ใดเอามือจับคันไถ่แล้วหันหน้ากลับเสีย ผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้าไม่ต้องการที่คนที่ภาะสิทไทยบอกว่าเหยียบเรือสองแคมนะคะเราจะเหน็ดเหนื่อยค่ะเรามุ่งพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนเราก็ต้องเป็นคริสเตียนนะคะไม่ใช่เราเป็นคริสเตียนพาสไทม์พาสไทม์นะคะเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเราเพราะเราชีวิตเราเราจะเหนื่อยค่ะเราจะเปลี่ยนเป้าหมายไปเรื่อย ให้จุดยืนเราเข้มแข็งบางทีจุดยืนที่ชัดเจนว่าเราเป็นคริสเตียนมันจะทําให้เรามีพลังนะคะเราเชื่ออะไรแล้วก็ดําเนินชีวิตตามความเชื่อนั้นนะคะถ้าเราเคยถวายตัวกับพระเจ้าใครเคยถวายตัวกับพระเจ้าบ้างไหมคะว่าจะติดตามพระองค์เชื่อว่าทุกคนนะคะเพราะว่าทุกคนการกล่าวรับเชื่อพระองค์ก็คือสัญญาว่าจะติดตามพระองค์ไปจนตลอดชีวิตเมื่อเราถวายตัวกับพระเจ้าแล้วขอให้เป็นการถวายขาด และเดินไปกับพระองค์เดินไปกับพระเยซูจนสุดทางคะ่ะถ้าจะเป็นคริสเตียนไม่มีว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดีครึ่งหนึ่งเพราะหมายถึงว่าเป็นคริสเตียนหรือสาวกที่ไม่ดีใช่ไหมคะเหมือนความดีอ่ะความดีเราบอกว่าดีแค่ครึ่งหนึ่งมันคือความไม่ดีถูกปะ่ะไม่มีความดีที่ครึ่งหนึ่งคริสเตียนก็เหมือนกันคริสเตียนไม่มีคริสเตียนครึ่งหนึ่งไม่มีคริสเตียนที่เป็นครึ่งคริสเตียนไม่ครึ่งคริสเตียนเนี่ยเป็นไปไม่ได้คริสเตียนก็ต้องเป็นคริสเตียนนะคะ จะเดินกับพระเยซูก็ต้องเดินอย่างจริงจังเดินเต็มที่นะคะไม่เข้าๆออกๆผูออกๆโผลๆเป็นคริสเตียนพาสมาธินะคะเพราะว่านั่นคือทัดนไม่ใช่คริสเตียนขอให้ใช้โอกาสในเทศการเข้าสู่ธรรมนี้นะคะให้ควรสิ่งที่ได้ฟังไปการติดตามพระเยซูคือสองสิ่งที่พระเยซูตรัสในพระวจนะวันนี้ก็คือหนึ่งต้องพร้อมที่จะเผชิญกับความลาบากการเป็นคริสเตียนไม่ใช่งานชั่วคราว ไม่ทิ้งพระเจ้าไม่ว่าจะเผชิญกับปัญหาหนักแค่ไหนข้อสองคือไม่รีรอนะคะตั้งจุดยืนในการเป็นคริสเตียนให้ชัดเจนคนที่รู้จักพระเจ้าไม่เคยที่จะไม่รักพระองค์เมื่อรักพระองค์ก็จะตอบสนองด้วยการรับใช้ยิ่งรับใช้ก็ยิ่งรู้จักยิ่งรู้จักพระองค์ก็ยิ่งรักพระองค์ยิ่งรักพระองค์ก็ยิ่งรับใช้นะคะมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติมันเป็นไปไม่ได้ที่เรารู้จักพระองค์แล้วเราไม่อยากที่จะทาอะไรเพื่อพระองค์ เราจะไม่รักพระองค์มันจะเป็นวงจรยิ่งทำยิ่งยิ่งเยอะขึ้นยิ่งติดสนิทยิ่งยิ่งยิ่งส่งผลให้กับชีวิตมากขึ้นนะคะขอพระเจ้าที่จะสัมผัสจิตใจทุกคนที่จะชัดเจนในความเป็นผู้ที่เดินกับพระเยซูอย่างแท้จริงเป็นคริสเตียนอย่างแท้จริงรักและรับใช้อย่างแท้จริงขอพระเจ้าอวยพระพรแล้วก็หนุนจิตพี่หนุนจิตชูใจพี่น้องทุกคนนะคะ